รรมชาดกแผ่นที่เก้าลำดับที่เจ็ดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่17สิงหาคม2556มีชื่อเรื่องว่านกกระทาช้างลิงมืออื่น ตอนเช้าคุณนายผู้ว่าเพันธมิตรตักบาทนาพวกเขานะคุณนายผู้ว่าอุรอวันเกิดของเพินินพันธมิตรตักบาดใจบาดรวมกระ เ, เป๋าเบิงเบิงนะช่ยๆกันเบิงสถานที่ของเพินินกลุ่มของเพลินเป็นเถ้าคู่บา ท, ทั้งหลายเป็นตาเอาผ่าเขาไปปูปูก็ะไรผ่าเข า, า, ขาเอาปาืนยัก ปูโตพต้องเอาโตขาวไปรอกมันขนย า, ยยากโตอันนั่นละเพี้ยแต่เอาปูผ่าขาวป่วยสะอาดนั่นแหละพ่อแล้วก็เบิง่งเบิงซอยกันเบิง่งพิ่นมาทำบุญวันเกิดของเพิ่นคนนุณนายท่านผู้ว่ามาสีบบสิบบมาอยู่บอ่เอเาแต่ว่าทำบุญ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 มาติกาบังสกุลเทียมะม่านวายโมงหมืออือินวันอาทิตย์จะมีการไปชุ่มเพิ่งคุณแม่จันดีน้องสาวของหลวงตามหาบัวของเฮานะวัดปลาบันตาดคงจะเป็นงานใหญ่ยกคงจะเป็นงานใหญ่ยกนั่ขอให้ผู้ใดเนอะศรทัทธาญาติโยมลูกหลานผู้ใดจะไปรวมงานเพินกระได แต่หลวงพ่อคงจะไปตอนใช้าสายพ่อแล้วงานพี่ละเพราะผู้ว่าเพิ่นมาแล้ะก็ะิบไปละเมื่อวันที่สิบแปดนะสิบแปดตอนเช้าวันที่สิบแปดจะมีการไปฉันอยู่วัดหลวงพ่อคุ้นนะสุเมโโธเป็นวันครบรอยวันของเพิ่น เปิดมรณะภาพแล้วก็บมือแร้งมือนียมีเป็นการมิการสวดมนต์อยู่วัดหลวงพ่อคูณหลวงพ่อก็คงจะไปไปสวดมนต์เย็นมือเนียจุกจักแล้วก็คงจะได้มีอย่างจะได้ไประชุมหารือกันมั้งเกี่ยวกับเจดีแต่เงีนยบ้าจังสันละ่ะสรุปแล้วก็คือวันที่วันที่แดเนี่ยวันที่สิ มืออื่นหลวงพอ่ อ, อตั้งคุณได้ผู้วา่าก็มาใส่บาตรแล้วกันในมณนลหลวงพอ่อไปฉันยวัดผู้ดินพอฉันแล้วก็จะไปงานคุณแม่จันดีไมีแต่งานใหญ่ๆงานสร้างวัดพวกเขาจะคิดยังไงบ้านท่านผู้ว่าก็บที่มาใส่บาตร คุณนายผัวกับเจะมาใส่บาตอยู่บ้องนี่แล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อจะได้ไปชันอยู่บ้านเผืออีอกปันเนี่ยเอีอยกว่าซับสนพอสมควรหลวงพ่งพงพอก็ต้องหลวงพอกางจ้างก็ต้องตัดทิมงานนึงแหละแล้วคงจะไ่ได้ไปไม่ไ <c oughs> ด้ไปชันงานหลวงพ่อคูนอื่นคงจะชันอยู่นี่แหละ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 อันนี้ก็คือในพรรษาแต่ออกพรรษาแล้วก็ไม่ละไม่ได้ทำกันแต่ในระยะพรรษาด้วจวนจะเข้าพรรษาเนี่ยต้องไปกราบครัะครูบาอาจารย์เป็นประเพณีของพระกรรมฐานถือกันม า, าตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดเพราะถือพระกรรมฐานถืออาวุโสเนี่ย ถืออาวุโสผู้มีอาวุโสเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นเวลาในท้องถิน่นเขตนี้โดยมากพระกรรมฐานถ้าจะว่าไปแล้วในท้องถิน่นอำเภอนายงูงน้ำโสมเนธมยศนะหลวงพ่อจะมีอายุพรรษา ม, มากกว่าเพื่อนทั้งหมดนะลูกหลานนะช่วงนี้นะ แต่แตะบ้านผือน่นก็คือหลวงปู่บนเมีที่มีอายุพรรษาหลวงปู่นูหยาิที่มีอายุพรรษามากแต่อำเภอน้ำโสมนายุงสองอําเภอหลวงพ่อมีอายุพรรษามากกว่าเพื่อนแต่นั้นเพราะเหนั้นจึงมีพระมากราบคารวะเป็นระลอกระลอกทั้งอำเภอสีเชียงใหม่ทั้งบ้านผือ น, นายุง จะเป็นอำเภออำเภอมา ก, กราบคารวะครูบาจารย์อันนี้คือเป็นประเพณีไม่ใช่ของแปลกสรุปแล้วคือไม่ใช่ของแปลกเป็นประเพณีสําหรับพระผู้น้อยไป ก, กราบคารวะพระผู้ใหญ่ถ้าหาว่าเราไม่ทําอย่างนี้ไม่เป็นไม่มีประเพณีอย่างนี้ต่อไปภายภาคหน้าต่างองค์ก็ต่างแข่งใครแข่งเราไม่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 เพอเพอยังพระผู้น้อยยังาหาวัดตูถูกพระที่มีอายุพรรษามากกว่าว่าเป็นผู้เงอะงะเนียลักษณะอย่างนั้นอ่ะอตัวเองถ้าเป็นคราวาสเมื่อเป็นคราวาสกันนะได้รับตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าเป็นที่รู้จักของคู่คนมากกว่ า, าพระเหล่านี้เข้ามาแล้ว อ, อะไรก็ไม่รู้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 เท่านั้นแหละพระที่มีอยุพรรษากตเพิดเลยท่านท่านมานั่งอยู่ตังทำไมตรงนี้ท่านไม่ยังไม่ได้พรรษาท่านทํอย่างนี้ไม่รู้จักสถานะของตนเองท่านทําได้ยังไงเนี่ยเขาขูท่านเลยูเอาพวกท่านไม่ต้องมากูผมหรอกผมเป็นใครมเเาเลยแอกวดจักรดา ข, ขึ้นมาเพราะท่านเป็นเชื้อพระวงศของพระพุทธเจ้าในกรุงกบินลพัทนะ พระสงฆ์จะเป็นเชื้อของใครก็เถอะท่านเพิ่งบวชพวนี่โพนิสุกเลยร้องให้โบยวายไปกราบพระพุทธเจ้าพระเจ้าเออทาไมเธอร้องไห้ทำไมพูดเรื่องความจริงให้ฟังพระองค์บอกว่ามันถูกแล้วที่เขาทําอย่างนั้นน่ะนี่แหละอันนีค้คือสาเหตุหนึ่งพระในครั้งพุทธกาลจากนั้นพระองค์ก็พวกท่านทั้งหลาย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 เกิดเป็นสัตว์ทีรายฉาญอย่างเคารพกันพระสงฆ์ก็ถามกราบทูลถามพวกพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพวกพุทธเจ้าที่พระองค์เป็นสัตว์ทีรายฉาญอย่างเคารพกันพระองค์ก็อธิบายเรื่องนี่แหละเรื่องนกกรทาเรื่องลิงก็เรื่องช้างอยู่ในป่าอยู่ในป่าดงคือนกกรทาก็หาขุยเขียหาอาหาร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 แขวงกันนะั่นะอันนั้นคือสรพสัตทั้งหลายแต่นี้สัตทั้งสามตัวนะั่นะได้ทำความดีมาในอดีตชาติพอมาเจอกันก็รักเมตตากันแต่นี้พอคุ้นเคยกันแล้วก็ไปรู้ใครจะเคารพใครเพราะว่าสัตสามตัวนะเห็นกันนะก็เลยถามขึ้นว่าพวกเราทั้งสามเนะี่ยใครเกิดก่อนกันวะ จะได้แสดงความเคารพกันกรณีไปพูดกันอยู่ต้นไทรมีต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งเป็นออกดอกออกผลแล้วมีต้นไทรอยู่ล่มต้นไทรนกกรทาก็บอกว่าสมัยก่อนข้ามีเห็นต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งอยู่เนี่ยนะทางเทศนั้นแหละข้าได้ไปกินลูกไทรแต่แถวนี้ยังไม่มีนะต้นไทรตัวนี้ยังไม่มีที่เราอยู่ อยู่ในล่มนะยังไม่มีแต่เราได้ไปกินต้นไทรต้นนู้นละ่ะจากนั้นเราก็ได้มาคุ้ยเขี่ยหาอาหารแถวนเนต่ะเรามั่นใจว่าเราได้ถ่ายอุจจาระลงในละแวกนี้ต้นไทรตัวนี้ก็เกิดขึ้นมามันก็เป็นพันเดียวกับต้นนั้นอีมันเป็นพันเดียวกับต้นที่เราไปกินมานะนกกระทาบอกเราจึงมั่นใจว่า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 ต้นไทรตัวนี้นะผมเคยได้กินยอดมันอยู่เออได้กินยอดไทรตัวเนี้นะครับว่าจะยืนสองขาแล้วก็กินยอดมันกินยอดไทรตัวนี้ อ, อต้นไทรตัวนี้อย่างเล็กๆอยู่สมัยผมมาตอกมามันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทางช้างก็บอกว่าอืมต้นไทรตัวนี้สมัยผมมาหากินกับแม่ต้นไทรตัวนี้นะเพียงสีข้างของผมเออ ประมาณนี่แหละละสีข้างของผมที่เดินผ่านมาต้นไทรตัวนี้ก็เลยเป็นอันว่าสัตว์ทั้งสามประเภทเนี่ยก็เลยตกเห็นพ้องต้องกันว่านกกระทาเนี่ยไปกินต้นไทรแล้วก็มาถายนี่คือจึงเกิดต้นไทรตัวนี้ขึ้นตัวลิงก็มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ยืนงแงสองขาขึ้นไปกินยอดต้นไทรแล้วก็ช้าง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 เครตามขั้นตอนกันนี่แหละในชาตินั้นชัดทั้งสมตัวอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุขเพราะเคารพซึ่งกันและกันไม่ก้าว่ายกันจากนั้นช้างนกกระทา ก, ก็เป็นผู้แนะนำสั่งสอนพวกกลิงพวกช้างนี่แหละชาตินั้นคือเราได้เป็นนกกระทาพระพุทธญา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 ในพระไตรปิฎกถ้าเราได้ศึกษาจะเป็นลักษณะอย่างนั้นกว่านั้นสรุปแล้วก็คือบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายให้มีความเคารพซึ่งกันและกันอย่าไปตีเสมอปราศาสตีเสมอไม่ดีแต่ผู้ที่พอที่จะเป็นเรียกพี่ป้าน้าอาป้าลุงพี่น้องก็ให้เคารพสิทธซึ่งกันและกันถ้าเราทําได้อย่างนี้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 ให้กับใครอื่นนั่นแหละเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ขวางเขาเขาเห็นเขาก็มันไส้อีกเหมือนกันอพอมันไสขึ้นมาแล้วก็หาเรื่องะ่อะไนแกล้งโผล่ในทุ่นชุดมีเรื่องจนได้คนหาเรื่องผล่ในสุกแตกทะเลาะบิบาทกันเพราะฉนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่านจึงว่าการอยู่ด้วยกันถึงจะมากมายขนาดไหน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 ตามทำนองพรองทำการพูดออกไปก็ทุกการการะทําออกไปก็ทุกนี่แหละเราจะเอาอะไรเราก็ต้องศึกษาศึกษาอะไรศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราเนะี่ยอย่างอาศัยได้ยินได้ฟังอย่างวันนี้ขณะนี้แนหะละหลวงพ่อพูดให้ฟังนะอันไหนผิดอันไหนถูกเราควรจะดูรู้ได้ว่าเราวางตัวอย่างไร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 และสัมมาทิฏฐิในระดับต่อไปก็คือเห็นความเกิดความเสื่อมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นมรรคเหตุผลการบำเพ็ญทางด้านจิตใจบำเพ็ญสินสมาธิปัญญาบำเพ็ญสมาธิและปัญญาให้เกิดขึ้นในใจิตใจนั่นแหละอันนั้นก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรตัเนีเป็นส ม, มา ธ, ธิิแบบละเอียดอจนถึง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรวาจาครบรรตัวอาชีววายโมสติสมาธิเข้าข่ายมรัก8ปดนะั่นอันนั้นคือสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงจากนั้นก็ชำระกายให้ชำระใจของตนเองให้หมดจดจากกิเลสโรคโรโกรธหลงราคะโทสะโมหะออกจากกิจใจเป็นไปด้วยสัมมาทิฏฐิทั้งนั้นถ้าวับคิดผิดแล้วแก้ไม่ได้หรอกแกกิเลส จะแก้ได้ยังไงมแถ่ถลำลึกไปเรื่อยๆถ้าคิดผิดทำออกมาก็ผิดพูดออกไปก็ผิดว่า ไ, ไรเพราะต้นตอมันมันไม่ถูกถ้างว่าต้นตอเป็นสัมมาทิฏฐิคิดดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกันกลองด้วยเหตุได้ผลจากนั้นก็กันกรองเข้ามาหาใจอีกชําระใจตัวเองอีกใจก็หมดจ ด, ดจากกิเลส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 วันนี้ก็ให้แนวความคิดกับพวกเราพุทธศาสนิกชนสัายาิโยมลูกหลานทุกคนเพราะพวกเราเป็นพุทธบริษัทนะรับพรอนโมตนาให้พร